อความสุขความเจริญจะมีแด้ท่านสละปชนทั้งหลายการบรรยายประูตรในวันนี้ก็จะพูดเรื่องที่ค่อนข้างพิเศษท่านทั้งหลายที่ติดตามข่าวคราวหนังสือพิมพ์ในสัปดาห์นี้อดยเฉพบข่าวอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องฮินดู ที่จะเข้ามาประชุมในประเทศไทยแล้วก็มีการทุงติง่งมีการขอร้องแล้วก็ออกมาจนมีการห้ามจากรัฐบาลเอเป็นเรื่องที่มีคนสอบถามกันมากแต่มาเองก็มีคนมาหลายฝ่าย เราขอให้ช่วยอธิบายชี้แจงบอกว่ามันเรื่องมันใหญ่แล้วก็เราไม่คุ้นเคยในเรื่องเหล่านี้มาก่อน<ม>ก็เลยตกลงใจบรรยายเป็นเทพให้เขาไปมวนหนึ่งแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ตำรวจสภาความมั่นคงประสงสาศาึกษาแต่ใดก็มาดไปเราคิดจะเล่าเรื่องเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง การประดับความรู้แล้วก็เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินพวกข่าวคราวต่างๆด้วยคือปัญหาที่ที่เขาจะมาประชุมที่จริงไม่ใช่ประเด็นหลักอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ประเด็นเนื้อหาของการประชุมคือมันไปลงมติเมื่อปีที่แล้วที่เขาประชุมที่สาระนาที่อินเดีย ไปบิดเบือนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหลักเลยนะห้าข้อใหญ่ๆด้วยกันแต่ที่จริงแล้วหลักตั้งห้าข้อเนี่ยเขาก็บิดเบือนมาตั้งตั้งพันกว่าปีแล้วนะตั้งปศพันสี่ร้อยกกว่าก็มีการบิดเบือนมาแล้วแต่ว่าเป็นการพูดของเขาข้า ง, ง, งเดียวเอกสารในเมืองไทยก็เยอะเราก็ศึกษากัน แต่เขาก็ใช้วิธีกระดมทั้งพุทธทั้ทงอินเดียมาไปชุมแล้วก็บอกว่าชาวพุทธเนี่ยเห็นด้วยก็ยอมรับความจริงส่วนนี้เมื่อความถ้าลงเป็นมติตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยต่อไปศาสนาพุทธก็เสืิอมศาสนาพุทธจะหายไปจากโลก แต่จะอยู่ในฐานะเป็นกิ่งนิกายย่อยๆของกินของของศาสนาฮินดูเรื่องคนข้างใหญ่นะนี่การจะศึกษาเรื่องเหล่านี้ตามปกติแล้วคนเราลืมปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงต้าทนายลองลองสังเกตดีว่าเราเคยอ่านนิทานอีสพบเรื่อง มาป่ากับลูกแกะก็บอกว่าอะไรอ่ะลูกแกะไปอาบน้ำที่ที่ข้างบนนะฮะทำให้น้ำขุนลูกแก่บอกแกอยู่ใต้น้ำลุงอยู่เหนือน้ำน้ำจะขุนได้ยังไงไอ้นั้นก็คือก็คือการหักล้างการกระทำในปัจจุบันด้วยดูที่การกระทำมาป่าเขาไม่ยอม บอกวันนี้แกไม่ทำเนี่ยปีที่แล้วแกทำคือปีที่แล้วผมยังไม่เกิดนะลุงนะเห็นไหมมันผิดประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เพราะตอนนั้นไอ้ลูกแกมันยังไม่เกิดเลยเพราะการศึกษาเรื่องอดีตเราจะต้องมองประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์ตรงนี้อะไรมันเป็นอะไร ใ, ใครเป็นใคร การศึกษาพุทธศาสตนาจึงมีมีหลักการศึกษาอยู่สามระดับใหญ่ๆแต่เราจะต้องเข้าใจทั้งสามระดับระดับแรกก็คือเรื่องระดับของประวัติศาสตร์เป็นปัญหาข้อที่จริงในด้านประวัติศาสตร์ที่สามารถศึกษาสืบ ส, สวนคนว้นคว้าแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์มองในสายเดียวคือสายประวัติศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้ตรงนั้น ในประการที่สองก็คือแนวธรรมธรรมะที่มีการสอนและพิสูจน์ได้ไหมว่าถ้าทําอย่างนี้ผลจะออกมาอย่างนี้จริงไอ้สิ่งอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงทิ่ ง, งนี้เป็นอย่างนี้จริงที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์จริงเป็นสมุทยัยสมุทัยจริงนิโรธนิโรธจริงมากมากจริงอันนี้จะต้องพิสูจน์สองระดับนะฮะโดยการศึกษากับโดยการปฏิบัติแต่พอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยผลจะเกิดขึ้นเองผลมันก็กลายเป็นการปฏิเวท ต่เป็นการพิสูจน์ได้เฉพาะตัวโคนนั้นเท่านั้นเองก็ทำนองคล้ายๆกับสัมประสทสัมผัสทังห้าคือได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นต้นเนี่ยเอาก็ไปใครกินคนนั้นก็รู้รสก็แนวค้นทำคุณสองบทคือบทวัาสันทิติโกคือผู้บรรลุจะเห็นได้เองแล้วก็ปัจจิตังวิธิตบโบโยชิวินดูชนจะรู้ได้เฉพาะตัแ น, นวหนึ่งเป็นแนวปาจีหาน ปาติหาริเนี่ยเขาจะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งเรียวกว่ตาพินีหารถ้ามากๆากเนี่ยเขาเรียกกฤษสดาพินีหารเป็นแสดงถึงบุญญาธิการที่หาคําตอบไม่ได้ไว้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันเรื่องกฤษสดาพินีหารคนเหล่านั้นสร้างบารมีมาเยอะอย่างเรายกตัวอย่างพระนเรศวรเราพระเจ้าตากสินเนี่ยพวกมีกฤษสดาพินีหารไหาคําตอบไม่ได้เรา ทำไมท่านยังทำได้ทําไมยังทำได้คนนั้นคนประเภทนี้นานๆจะมีสักคนหนึ่งในโลกพระพุทธเจ้าของเราดนะันมีลักษณะของกฤษดาผิดนิหารแต่เขาเรียกกตาผิดนิหารคือบุญบา ร, รมีมันมากบุญบา ร, รมีมากก็ทําอะไรผิดปกติไปแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นธรรมดากองท่านนะเป็นธรรมดากลางท่าน แต่กากระนกบินในอากาศเราดูเป็นเป็นอภินิหารนะนะฮะนกมันบินได้เนี่ยถ้าเราบินได้ก็กลายเป็นอภินิหารแต่พอนกบินได้กลายเป็นธรรมดาเห็นไหมฮะไส้เดือนอยู่ใต้ดินอยู่ได้มันก็เป็นเป็นปกติของของไส้เดือนแต่ถ้าคนไปอยู่ใต้ดินได้ก็กลายเป็นอภินิหารเห็นนะฮะเพราะงั้นเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ที่จริงมันเกิดด้วยด้วยสถานะของ ของคนของสัตว์ของสิ่งเหล่านั้นเราไม่สังเกตเองนะเราไม่สังเกตเองที่จริงมันธรรมดามากเพราะการที่พระเจ้าประสูตรมาแล้วเดินด้วยประบาทได้เจ็ดเก้าเป็นกต า, าพินิหารเป็นบุญญาธิการได้ส่งกระทำเอาไว้แต่เราลืมมาที่ลูกไก่ออกจากฟองก็เดินได้นะลูกไก่ลู ก, ก, ลกอะไรละ่ะโควพวกควายพวกมา้าพวกหมูเดินได้ทั้งนั้นเนี่ยเดินได้ทั้งนั้นก็กลายเป็นปกติพอพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นอภินิหาร แต่ในความรู้สึกของเราก็กลายเป็นปฏิหารพอ ป, ปฏิหารเราก็นึกว่าเราเราทำไม่ได้นึกว่าคนอื่นทำไม่ได้แต่ที่จริงตรงนี้อะไรที่มันผิดปกตินี่มันก็มีตัวแรงของบุญกรแรงของบาสนะจะมีอยู่ทั้งสองแรงอย่างนี้ือยกตัวอย่างให้ฟังก่อมันเหมือนกันหนอ น, น่ะเราหนอนในปลาไปใส่ในพริกจะย้ายนอนในพริกมาอยู่ในปลาตายหมดทั้งคู่นะ นอนในนอนในพริกมันอยู่ได้ยังไง ร, ร้อนจะตายมันอยู่ได้แต่พอมาอยู่นอนในในปลาข้าวประกดรปลราจริงมันเย็นประกฏรหนอนนั้นอยู่ไม่ได้นั่นคือกรรมมันไม่หล่อเลี้ยงกําเนิดมันเป็นอย่างหนึ่งมาอยู่อีกอย่างหนึ่งมันน่าจะอยู่ได้แต่มันอยู่ไม่ได้เพราะนั้นก็คื อ, ค, อคือลักษณะตรงนี้เป็นเรื่องเดเราจะต้องศึกษาแนวตรงนี้เป็นแนวสองสองแนวนะแนวหนึ่งก็คือแนวประวัติศาสตร์กับแนวของธรรมะ เรื่องที่เราเออกมาพูดแล้วมันสื่อสารง่ายนะฮะเราพูดประเด็นเดียวเขาอ้างพระพุทธเจ้าเป็นอวตารมันต้องเข้าใจอวตารอาวตารก็คือลงมาเหมือนเหมือนกับของเราเขาเรียกว่าเทโวโรห a n เทโวโร h a ที่จริงก็คือลงมาจากจากดาวบันดึงแต่เรียกพระพุทธเจ้าเปิดโลกกันนะฮะอวตารก็คือลงมาจากจากสวรรค์ เป็นการพูดว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอวตารปางหนึ่งของพานารายเราดูแล้วคล้ายๆไม่เจ็บแสบอะไรนะฮะแต่ท่านนั่นหลายจตว่ามันมันขุดค้นหลักการทำคัามุสสนาไปเลยมุสสานาเหล่านั้นหัวในอยู่ที่พระพุทธเจ้าเราเห็นว่าศรัทธาพื้นฐานของความเป็นชาวพุทธที่เราอยู่ได้รักษาศาสนามาได้เนี่ยเราเชื่อพระพุทธเจ้าจัดสรุป เราเชื่อตรงนี้เรื่องเรื่องเยอะเราไม่เข้าใจหรอกแต่เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านสัตรูท่านสอนจากสิ่งที่ท่านศัสรูเราไม่สัสรูเราเชื t ub> <t ub> ่อท่านวันตรงนี้จึงถ่ายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราเรียกตถากตะโพติดถ่ายนะตถากตะโพธิดถายเชื่อการสัตรูของพระพุทธเจ้าทำให้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อการที่ศาตร์ท่างหลายมีกรรมเป็นของตนบางทีเราไม่รู้ในรัชบาลเราไม่รู้ว่ามีจริงไม่จริงแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราก็เชื่อ ทีนี้มันพอไปล้างเนี่ยไปล้างที่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นเพียงอวตารของพระนารายย์แสดงว่าอะไรแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสูรพระพุทเจ้าเพียงแต่พระนารายย์อวตารลงมาเท่านั้นเองถ้วถามคนอินเดียรู้จักพระพุทธเจ้าไหมเดี๋ยนี้อินเดียก็รู้จักแต่ว่านับถือพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นอวตารปังหนึ่งของพระนารายย์ทีนี้อวตารเนี่ยเป็นยังไง เราคุ้นคนดังอยู่คนหนึ่งคือพระรามในเรื่องรามเกียรติ น, นะฮะพระรามนั้นเขาถือว่าเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายท่านที่เคยอ่านนารายศิปางอ่านเรื่องรามเกียรตนะิท่านจะเห็นว่าพระนารายทะเละกขนุทุกที่สวรรค์แล้วก็ นนทุก็โกรธว่าไม่แน่จริงไปปลอมเป็นผู้หญิงมายั่วๆนี่แก่รำแล้วก็หลอกให้แก่รำเอานิ้วเพชรชี้ตัวแก่ตายแก้วโกรธว่าถ้าแน่จริงไปรบกันเลยพระรามก็พระนารายก็ยั่วขึ้นมาก็ท้าเอาไปฉันฉันให้แกสิบเสียน20กอเลยฉันฉันฉันสองมือเลยฉันก็ขอไม่ได้ด้วยแต่ฉันจะฆ่าเธอให้ได้จะ้เธอขอาะได้โดยบิริ์เมีอนนั้ไม่มีใครปราบได้แต่ฉันจะปราบให้ดูก็ลมก็มาเกิดก็อย่างอย่างที่เราอ่านนะเรื่องรามเกียรติ ทีนี้ตรงเนี้ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้ารมมองโดยเชื่อไปตามเนี้ยเออมันก็น่าฟังพ ร, ระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามที่จริงอวตารเนี้ยเขาบอกพระคุยว่าปางที่เก้าหมายความว่าอย่างไงหมายความว่ามันมีหลายปากเขาก็แบ่งโลกเป็นยุคทํามีีพรามเนี่ยแบ่งแบ่งโลกเป็นยุคเช่นไตรดายุคเนี่ยมันมันอวตารสามครั้งอวตารครั้งหนึ่งเป็นปลา ครั้งหนึ่งเป็นเต่าช่วยคนเมื่อเมื่อเมื่อน้ําท่วมโลกเหมือนเรื่องคล้ายๆเรื่องโนอาห์โนอาของคริสเนี่ยนะฮะโนอาห์นี่เขาก็มีเรือแต่ว่านี้ก็เป็นเต่ามาช่วยคนไว้เป็นเต่าเป็นปลาแล้วก็เป็นยักษ์แล้วก็อาาเอาอวตารเป็นยักษ์สองครั้งเป็นปรัสุราเป็นคนถือขวานแล้วก็เป็นคนเป็นคนเล็กเป็นคนตัวเล็กตัวฆ่าคนตัวใหญ่นะ ดูทั้งนั้นเลยอวตารเดลปางในดุทอนนั้นแล้วก็ปางหนึ่งมั น, ม น, ม น, มนตัวยักษ์มันได้ผ่อนว่าคนผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามฆ่าไม่ตายพระนารายณ์ก็เอาตานกึ่งหญิงกึ่งชายแต่ไม่ใช่กระเทยก็เรียกว่านอรสิงห์นะแล้วก็มาฆ่าวันนี้แต่ก็เล่าตำนาน่าวเหยียเลยเรื่องเดลเรื่องบิญญาตานั้นทีนี้ถามมาเรื่องอวตารเนี่ยเป็นเป็นเรื่องอะไร ท่านนัหลายจะต้องมองว่าพวกอินเดียเนี่ยพวกจอมนิทานนิทานมันเยอะเล่านิท า, า, านเยอะอตานเป็นนิทานค่อนข้างประประาเล่าประวัติศาสตร์ถ้าเราศึกษาในแง่ประวัติศาสต ร, จร์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อวตานอะไรหรอกพระรามนั้นก็คือกองทัพของพวกอารยันที่ยกเข้ามา ข้ามเออข้าวมาทางอินดูขูดข้าวมายึดครองชมพูทวีปสมัยยุคโบราณก่อนพุทธกาลก็ก็ไม่แน่นะบางทีว่าห้าพันปีบางทีว่ า, 5, า, วาจนถึงพันปีก็มีก็ก็พอสอนี่เอานิยายไม่ไม่ค่อยได้เรากพราเริ่อเก่าแล้วเกิดเป็นวีรบุรุษของพวกอรันในอดีตพระรามนั้นวงเดียวกับพุทธเจ้านะฮะพวกสุริวงศ์เเม่ง แล้วพวกนี้พอมายึดครองที่ชมพูทวีปแล้วเป็นลุกกอดพระพุทธเจ้านานพอยึดครองชมพูทวีปแล้วต่อมาก็รบกันเองในหมู่พวกเขาเราเคยได้ยินหนังสือเรื่มหนึ่งที่ข่าวไอ้เรื่องหนึ่งก็เรียกว่าออมหาพารตะยุทธ์เป็นการรบกันระหว่างในหมู่พี่น้องของพวกอริยันเองพวกนี้เลยกลายเป็นอวตารอีกคนหนึ่งเรื่อ ง, รรองรพระกฤษณะพระกฤิชนะท่านท่านท่า น, ท, านท่านจะเห็นว่าอาวตารแปดปางนี่ดุทางนั้นเลยฆ่าคนเยอะ คนเยอะโดยเฉพาะพระรามนี่ก็ฆ่าเยอะกฤษณะนี่ยุ่งคนฆ่ากันเยอะตัวเองไม่ได้ฆ่าหรอกฮะแต่ยุ่งคนฆ่ากันเดียอก็จนก็มีการสอนแต่แม้แต่แต่องค์ุลิมานของเรานะฮะอย่างไปเรียนคัมภีของของของทักษิกฤษณะกฤษณะที่มาสอนโดยวายัดเพราะฉลิมศพเเพราะ น, นั้นถือว่าฆ่าคนไม่บาปนั่นคือประวัติศาสตร์ที่จริงแล้วประวัติศาสตร์ตอนนี้มันไกลมา ถามว่าพวกนี้มามาสร้างขึ้นตอนไหนมาสร้างขึ้นหลังพระพุทธเจ้านี้ผ่านไปแล้วทั้งหลายร้อยปีก็เรียกยุคปุราณะยุคปุราณะมั็นยุคแต่งหมกากราบกระาดปาะคือมาเป็นแสนสโลกนะอ่านกันเป็นเดือนเลยจังจบแต่งโดยพวกหมาดุษีพวกรามายณนะนี่ดุสีวลมีกีเป็นคนแต่งยาวในเมืองไทยเราก็เล่นโตนะฮะแต่ของเราก็แถมอะไรก็ดีเยอะแล้วก็ มหาพาลตายุทธนั้นเป็นเป็นเรื่องของท่านท่านฤาษีกริชะทะวญาตแล้วก็ชื่อตัวเอกกระจายมัชื่ อ, ช, อชื่อกฤษณาไปด้วยตรงนี้ก็พูดว่าบางทีนี่พูดว่าพระกฤษชนะอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะบางทีพูดอย่างนั้นเลยบางทีพูดว่าพระพุทธเจ้าพระนาฬิการอวตารมาเป็นพระกริชนะาามาเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เราก็รุ่งต้องรู้จักพระนาฬิกายหน่อย ปาราไดเนี่ยเป็นเทพประจําท้องถิน่นสมัยพุทธกาลนัม้มีชื่อเด่นไมเราเราเห็นนาทีเลยว่าสมัยพุทธกาลปาราไดไม่มีพปาราไดเป็นเทวดาเป็นเจ้าสมุทรของคนที่นับถือนับถือเจ้าสมุทรพวกอยู่ดินทะเลอยู่ริมแม่น้ำํำริแม่น้าําคงคาแม่น้ําสินธูแม่น้ำมายูมาเร่แม่น้ำํำใหญ่ๆนะฮะคนนี้จะนับถือเทพเจ้าจะจำจะมสมุทรทุกส่วนของโลกจะมีเทวดาประจําสมุทรทางนั้นเห็นพระศิวะเอง นะพระศิวะเองสมัยพุทธกาลก็ไม่ดังสมัยพุทธกาลเป็นพระอินนะท่านทั้งหลายคงจะนึกว่าพระอินนี่ดังมากเลยแต่มาสมัยหลังเนี่ยพระศิวะแก่ดังพระศิวะก็คือเทวดาประจําภูเขานะประจำภูเขาเราจึงเห็นได้ชัดว่าพวกนี้มดเทตุเพราะจริงพระศิวะเนี่ยเป็นเทวดาเึ่งสร้างขึ้นแต่เรื่องรามเกียรติ์ที่มันย้อนอดีตไปก่อนพุทธกาลเป็นพันปีนี่มีพระศิวะ พระอิศวรนะฮะพระอิศวรที่เจ้าไกรลาศกิรีที่เจ้ใาให้พรจะเละหมดนะฮะให้พรนนทุกแกก็ให้เองไงนะแกให้พรยนมั่วหมดเป็นคนแก่ใจดีให้พรแล้วก็พระนารายณก็ลงมาแก้ปัญหากันพระพรหม ม, มีสมัยพุทธกาลแต่พระพรมพระพรมของเราไม่เหมือนพระพรหมของเขาพระพรมเราหน้าเดียวนะฮะไม่ใช่สีนะ ภรมเราก็คือเป็นเป็นคนที่เกิดขึ้นมาจากการบําเพ็ญเพียรโดยโด้วยบรรลุ ป, ป ร, ม, รมชานขึ้นไปแล้วเนี่ตายเกิดเป็นพรหมไม่มีเมียนะฮะผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามที่บําเพ็ญบา ร, รมีถึงจุดนี้ได้ได้ฌานแล้วเนี่เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพรหมไม่มีเพศเ อ, อไ้ไม่จะไม่จะไม่ไม่มีเพศจะหาว่าเป็นนั่นเองเป็นกระเทยซิอืมเป็นผู้ชายะนะฮะเป็นผู้ชายแต่ว่าไม่มีปัญญา แต่พรมแต่พรมของอินเดียเนี่ยมันมีพัญญามีพระสรัตรดีฮะพระสระตรดีแล้วก็เทวดาเขามีมีพัญญาธนะเก็ยังมีสักดีพระพรมก็มีพระสรัตวดีพระนารายก็มีพระลักษมีพระอินทก็มีพระอุมาอุมาบรรปจีธุระคารอะไรต่ออะไรเยอะเลยก็เราจะเห็นว่าลักษณะฐานเนี่ยมันต่างกันนี่เป็นเรื่องต่างเรื่องศาสนาพุทธเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งลอยตัวออกมาเลยเป็นเรื่องการศัตรู ไม่ได้ผูกพันกับเทพเจ้าหรอกนั้นไปผูกพันกับเทพเจ้าก็ในฐานะที่เทพเจ้ามานักถือผู้เจ้าได้รับการยกย่องมาสถาปนาเทวมนุษย์านัเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนมาประกาศตัวเป็นลูกศิษย์ครั้งแรกก็คือสามบดีพรมนะมากราบทูลในรัฐนาวุฒิเจ้าเทพจังสอนโลกยอมรับชื่นชมในการศัสรู ข, ของพระพุทธเจ้า เราเราไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้นั่นนะฮะไม่ไม่ได้ไปไปเกี่ยวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องของศาสนาเรื่องของอะไรก็เหมือนกันเ ร, เรื่องทั้งหมดเรื่องสิ้นของสินค้าท่านเรียนว่าเหมือนกันหมดเลยโลกหมายความมาถ้าคุณมีสินค้าชนิดดีขึ้นเนี่ยคนจะปลอมสินค้าคุณแต่ปลอมไม่ได้เขาก็มีส่วนขอซื้อพุ้น เพื่อจะเข้าไปมีส่วนร่วมจะได้ประโยชน์จากจุดนั้นนั่นธรรมดาเลยโลกมันเป็นอย่างงั้นเองปรัชญาเหมือนการศาสนาเหมือนการการเมืองเหมือนกันการกเมืองที่ไหนก็ปกครองด้วยระบบใดดีคนอื่นก็จะเอามานะเสร็จแล้วก็ตั้งตัวเป็นนักปราศทางสอนในสายนั้นคึ้นมาเราจะเห็นว่าดูรัที่เข้มนิดเห็นหมาฮะรัที่เข้มนิดหมอเจอตุงคารมาร์กเฮเกนเลนินสตาลินเยอะเลยเจ้าําราของคำผีเอาโลกูกใกล้ ๆ, ๆ, ๆ, ๆเนี่ยเห็นไหมฮะ ที่จริงคัำพีตรงเนี้มันมันถ้าเราย้อนอนดีตมันมีมันตั้งแต่โบราณคัมภี ท, ที่ที่คริสก็ใช่ไม่ใช่ที่ที่ขอ้อ น, นี้ก็สอนเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องโบราณมากเลยเพียงแต่ว่าไม่มีการศึกษาสืบต่อมาคนรุ่นใหม่ก็คิดคิดก็ใช้ประสบการณ์ตัวเองใกล้ๆขึ้นมาก็ประสมภาษากันไปก็เลยกลายเป็นเป็นลัทธิขึ้นมาคนเหล่านี้ก็เป็นที่เคารพสักการะ ใช่ไหมฮะมอเจอตุงก็ดีเลนินก็ดีสตาลินก็ดีมาร์กก็ดีไฮเกนก็ดีนี่เป็นเป็นที่เคารพนับถือบางค น, คนที่นับถือลัที่ทงสอนตรงนั้นตอนศาสนาพุทธเราเนี่ยอย่างที่บอกกับพุทธเจ้าท่านศัสรุท่านสัจธรรการสัจหรูเนี่มันเหมือนกับของมาอยู่ในที่มืดเราเปิดไฟปั๊บขึ้นมาเราต้องการหารอะไรสักอย่างได้ไปเจอเพอเปิดไฟจึงมีของเยอะเอ้ยนี่ก็ดีนี่ยใช้ได้เนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้ น, นี่ก็ใช้ได้ เพราะงั้นทราเห็นคําคําสอนพระเจ้าจะมีอยู่สี่ระดับสีแนวนะฮะมาจากสแนวแนวหนึ่งก็คือแนวที่ศัตรูมาโดยตรงไม่ไม่มีใครรู้ในยุคในสมัยนั้นคือเรื่องนิพพานเรื่องอนัตตาเรื่องปฏิจจสมุปบาทพวกนี้ไม่มีการสอนในสมัยนั้นทีนี้ไอ้คำเนี่ยปัญหาสำคัญว่าคําภาษาเนี่ยนะภาษาเนี่ยมันมีจํากัดแต่ว่าสิ่งนี่มันมีมากกว่าภาษาสิ่งทั้งหลายนี่มีมากกว่าภาษา เพราะในสิ่งตัวนี้เราอาจจะใช้ภาษาตรงนี้เรียกพอเจอสิ่งหนึ่งมันใกลย้ลยๆกันก็ใช้ภาษานี่เอเรีย ก, กี่เราจึงเห็นว่าบางทีเนี่ยสิ่งสิ่งเดียวกันแต่ว่าคนต่างถิ่นเรียกเรียกภาษาต่างกันเราจึงเห็นธรรมะบางข้อว่าเออชื่อทาไมไม่ตรงกันชื่อเป็นการสมมติมเรียกเอาเพื่อสามารถสื่อสารกันได้แต่นั้นเอง อีกแนวหนึ่งนั้นเ้าสอนก็ค่อนข้างดีนะแต่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ผู้เจ้าก็ปฏิรูปที่เคยพูดบาก่อนวาเสริมเติมเต็มในบรรยายประศุบรรก่อนะเสริมเติมเต็มขึ้นมานั่นคือแนวปฏิรูปทําให้เวลาปฏิบัติมันมีผลสมบูรณ์ขึ้นและจะบอกวัฒนนตนธรรมนี้เป็นของเก่านะตรงนี้เป็นของเก่าตรงนี้เติมให้เพราะตรงนี้จะไม่จะไม่มีผลในการปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วจะมีปัญหาพระเจ้าท่านท่านนับรองผลหมดแล้ถ้าทําตามที่ทรงว่าแล้วเนี่ยจะได้รับผลอย่างนไรเพราะฉนั้นถ้าตัวเหตุมันยังไม่สมบูรณ์แต่มาแค่แค่กบตัวยาขนาดหนึ่งมันมันมันรักษาโรคมันเท่าได้แต่มันขาดตัวยาอีกตัวหนึงหรือขาดไปสองตัวก็เติมขึ้นไปพอตัวยาตัวนี้ใส่ก็ไปด้วยปรากฏว่ารักษาโรคได้หายเมื่อก่อนก็แค่บรรเทานี่ก็คือลักษณะการปฏิรูป แนวหนึ่งเป็นการปฏิวัติเลยพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือตรงเนี้เราจะเห็นว่ารู้ธรรเจ้าท่านปฏิวัติมาตั้งแตใ่ในธรรมจักรกปฏิวัตินะฮะในธรรมจักรเป็นการปฏิวัติหลักหลักการปฏิบัติคนสบายนัานถือว่าตัวเองนั้นถูกถูกขังถูกขังอยู่ในไอ้จิตที่มันถูกขังอยู่ในร่างกายก็มีการทรม า, ารถุเจ้าเองเคยทรม า, านนะนะ อรื่องยังหนึ่งก็ถือว่าชีวิตเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวก็หาความสุขเต็มที่ก็พยายามปลนปลือตัวเองด้วยกามาคุณหาความสุขทางทางเนื้อหนังก็ถือว่าตาย ก, จก็จบมันก็มีสองกระแสเหม็มพระพุทธเจ้ามาถึงก็ปฏิวัติ โ, โครมประโยคแรกเอาเลยนะฮะบรรทัดแรกเอาเลยทะเวเมพิกเวเนี่ยดูกฎวิสูตรทั้งหลายสิ่งสองอย่างมันจะพิจไม่ควรเสพขึ้นหนึ่งการทรมานร่างกายสองการประกอบตนโมโมมมุ่มุ่นอยู่ในเรื่องการมคุณทั้งหลายปฏิวัติ แต่จริงปฏิวัติศาสนาเก่านปฏิวัติศาสนาเก่าเนี่ยตรงปฏิวัติโอวาตวปฏิภูดินิ่มมากนะฮะท่านังหละอาจารย์่านนิ่มมากเลยเราไม่รู้ว่าจริงๆนี่คือการปฏิวัติและชักธงแล้วไม่ใช่ชักธงลบนะชักงธงทำมากขึ้นไปสมัยนั้นก็ถือการทรมารร่างกายสองสองวิธีที่ว่าเนี่ยเป็นบรมตาปะผู้เจ้าบุคัตติเป็นตบะเห็นไหมพูดคนละเรื่องเลยพวกนี้ถือว่าการเข้าไปรวมกับ พวกหลักที่ที่เขามาเผยพร่ เ, พ เ, พ เ, พเขาเรียกปราระพรมนะปรพรมนี่จึงเป็นคำใหม่สมัยนั้นมันมันเรียกคำเขาเรียกออปรมาตามันเรียกว่ามหาตมันเรียกว่าพรมมันเรียกว่าอุรุษะเรียก3ามสี่สามสี่ห้าชื่อนะแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยสิ่งสูงสุดเรียกชื่อไงก็ได้ถ้าปัจจุบันถ้าภาษาศาสนาอื่นก็คือก็ต์คือพระผู้เป็นเจ้า มายความวาเรามาจากที่ไหนเราจะไปสู่ที่นั้นนั่นก็คือจบจบการหมุนวนในสังสารวัฏแต่เราจะเห็นว่าการหมุนวนในการจบของเขาคือการไปเกิดอยู่ช่วง น, นิรันดร์อยู่อย่างนะั้นแหะไม่ต้องทาหากินอะไรก็อยู่อย่างนั้นเองถือว่าเป็นจุดสูงสุดพระเจ้าทรงแสดงวันนี้ผ่านเป็นจุดสูงสุดนิพพานของพระพุทธเจ้าไม่มีพบ เีแล้วมันต่างกันที่ไม่มีพวกแกรกกะพรมเนี่ยชื่อเหมือนกันแต่ปรากฏว่พรมพรมเขาก็พรมเราไม่ตรงกันภาษาได้เหมือนกันเขาเรียกนิพพานได้นะไม่ได้แปลอะไรแล้วก็ไม่มีการเกิดไม่มีที่เกิดไม่มีการเกิดไม่มีที่อยู่นิพพานก็คือดับการหมุนวนในสังสารวัฏดับได้ทั้งกิเลสดับได้ทั้งทุกข์ ทั้งทุกข์ที่เราเสวยแล้วก็ต้องทุกข์ในการต้องบบวชนทงางศาสนาอาแล้วก็แสดงลักษณะของนักบวชทุกนักบวชในสมัยนั้นเป็นเจ้าของพิธีกรรมนะท ม, มหายันใหญ่เนี่ยค่าสัตว์ชุดละเ0็ด0 0อย0นี่นะ700ดร้เจ็ดยเน่ยออม้า700รโค่เ0ช้าง700้อะไ ร, ไรนี่700็ดรมาหายันขนาดใหญ่นี่คนตายเยอะเลยถาด็้าสี้เด็กเ0 0ดเด็กหญิงเ0็ดร้เด็กชายจ็ 700, 700, นี่าามหายันใหญ่ อ่เยอะคนคนคนตายเยอะเลยพระเจ้าขีดลักษณะสมณะไปเลยวะซ้ำคู่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่เป็นบรรพชิต ไ, ไม่เป็นสมณะเรามีสมณะใหม่แต่สมณะมีคําแล้วนะฮะ ส, สมัยนั้นเรียกแล้วที่พระเจ้าเห็นเทวทูต ก, ก็เป็ น, เ ห, นเห็นสมณะเห็นไหมสมณะมีอยู่แล้วแต่ว่าสมณะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นสมณะเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียน ไม่ต้องพูดเรืองบูชาญาณฆ่าก็ไม่ได้เบียดเบียนก็ไม่ได้นะคิดด้วยจิตยังไม่ได้เลยระดับสัมมาะจริงๆเพราะงั้นนั่นคือกันการปฏิวัติแล้ปฏิวัติตั้งแต่จักรสรู้ได้ได้เดเดือนเนี่ยนะไม่ใช่จัรสรู้ได้9้าเดือนแสดงประตูมหเทศนาได้เจเดือนก็สุกปฏิวัติความเชื่อตรงนี้นะทีนี้ต้องการจะมาเชื่อมโยงตรงนี้ท่านทั้งหลายดูว่าเรื่องทั้งหมดที่ที่เขานําเสนอที่เขาเอามาพูดเนี่ย เป็การบิดเบือนประวัติศาสตร์แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นการต่อสู้ธรรมดาของชาวโลกนะมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเสียหายรุนแรงอะไรนะแต่เราต้องรู้ว่าอันนี้คือมันมันโกหกสินค้าวางเหมือนกันหมดเลยแต่เรารู้ว่ามันปลอมมันก็ไม่ป็่แปลกอะไรวางอยตรงนั้นเนี่ยเราไม่ซื้อก็หมดเรื่องแต่ว่าเรารู้หรือเปล่าแต่นั่นเองว่ามันปลอมอ่ะ เพราะจริงๆแล้วเมืองไทยเราในมีเยอะที่เราที่เรายัางแยกไม่ออกนะแม้แต่นิพานยังเสียงกันอยู่ทุกวันนี้นนิพานามีลัาากษณะอย่างไรในประวัติาศาสตร์การต่อสู้เนี่ยคำว่าฮินดูเองมันไม่ได้มีในยุคสมัยพระเจ้าตฮินดูนั้นเป็นชื่อของแม่น้ําสินธูคนอยู่แถบแม่น้ําสินธูเนี่ยอินเดียฮินดูฮินดัตินดีเนี่ยมันมาจากคาเดียวคําว่าสินธูเป็นภาษาที่มันเลือนออกมา ภาษาพูดเรือนพูดเร็วนะฮะขับไปต่างถิ่นแล้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปนะยังยังยังมะม่วงสมัยพุทธจาเนี่ยเขาเรียก อ, อ, อ, อัมพะอัมบะอัมบะมะม่วงนี้มันอัมเรียก อ, อามอยุธยาอโยธยาตรงนี้ไม่ได้โอดเปลี่ย น, นะฮะโอดก็คืออายธยาเลยอายุทยาคำเดียวกันเป็นคาใหม่เห็นไหมคาก็คาใหม่ถามศาสนาพราหมณ์จริงๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ไม่มีอะ น า, าพราหมณ์ไม่มีในสมัยพุทธกาลแต่เป็นเราเรียกโดยภาษาเหมือนกับเราพูดเราอยู่ในโลกนี้ถูกไหมฮะเราอยู่ในโลกนี้คล้ายๆถูกแต่ไม่ถูกถ้าถูกถ้าคุณอยู่ในโลกคุณต้องขุดโลกลงไปอยู่ข้างในแต่เราอยู่บนโลกเราพูดพูดงั้นพูดภาษาธรรมดาธรรมดาไม่ได้ติดใจในรายละเอียดเหมือนกับเราพูดผมเห็นก็พูดอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกตาไปเห็นเสียงยังไง ใช่ไหมแต่ก็ฟังไปได้กับของฟังไปภาษาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเขาพูดอย่าง น, นั้ น, นแต่ที่จริงสมัยนั้นเนี่ยมันมีเจ้าลัชชีซึ่งแต่ละคนนั้นเป็นพราหมณ์ก็มีเป็นกษัตริย์ก็มีเป็นสูตรก็ยังมีเลยเนะเจา้าลัชชีเนี่ยก็สอนกันสอนกันมาเขาเรียกว่าเราเรียกรว ม, ร ว, มว่าพวกอัญญาเดรจีนะแล้วก็แบ่งเป็นสองกลุ่มพวกเนี้ย พวกกลุ่มหนึ่งแรงจะขอเข้าบวชกับเราเนี่ยเราไม่ให้บวชอะต้องทดสอบดูตัวเองไลยก่อนสี่เดือนเป็นอย่างน้อยเขาเรียกอยุดจิตญาปาริวาแต่พวกหนึ่งไม่ค่อยแปลกอย่างพวกภาษาดิบุตรเนี่ยภาษาดีบุตรพวกปริพาชกเนี่ยความเห็นไม่ได้ต่างอะไรกันเนทะ่าไหร่นะ mm hmm. เพียงแต่ว่าเขาอยู่ระดับระดับศีลธรรมจัญญาธรรมนะเอาอยากจะบวชก็บวชบวชได้เลยเราแสดงว่า พื้นฐานของคนในสมัยนั้นที่จริงก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะการศึกษามันไปสูงสุดเป็นการปฏิบัติพัฒนาจิตอยู่ในระดับของอรูปฌานก็สูงไม่ใช่เล่นนะอย่างรู้สึกจำาตรตสามสี่ปีที่แล้วนะที่เคยบรรยายเรื่องปัญหาของมานพสิบหกคนท่านเห็นว่าปัญหาแต่ละข้อนีมหาศาลคนถามปัญหาอย่างนี้ได้ไม่ใช่คนธรรมดา โดยแสดงศึกษาปฏิบัติมาเยอะแล้วก็ตั้งปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาได้ก็สรุปว่าคนสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดากันแล้วกันแน่แต่ว่าสอนแค่ติดแค่พรหมนะคำสอนทั้งหมดไปอยู่แค่พรหมแต่นั้นเองแม้ศาสนาเชนจะม่เรีย ก, กว่านีาาน้ด่าว่าหรือเรีย ก, กวันนี้ผ่านามันก็แค่พรหมแต่นั้นเองนะจะเป็นพบไปที่อยู่เป็นสิ่งสถิตอยู่ที่นั้นช่วยนิรันดรเท่านั้น หมายความว่าไปอยู่แบบนี้ไปไปอยู่แบบศาสนาเทวนยิยมทั้งหลายเนี่ยนิพานเลยกลายก็เป็นโลกอีกโลกนึงแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องทําอะไรนึกดูก็แล้วกันะคนไม่ต้องทําอะไรนี่ไม่รู้อยู่ไม่รู้อยู่ไปทําอะไรเหมือนกันคนเราก็ต้องมีงานมีการมีอะไรมีภาระหน้าที่เราเสร็จเรื่องราวของเราแล้วก็น่าจะช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะแต่นี้ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะงั้นศาสนาพราหมณ์จริงก็ไม่มี คำว่าฮินดูเนี่ยคือเป็นการหล่อหลอมตัวเองของพวกราธิที่ทั้งหซึ่งมีอยู่ในสมัยนั้นสมัยนั้นเขาเรียกว่ายุคพระเวทคนนับถือพระเวทนะรพระเวทจริงๆเนี่ยมันมีนมอยู่สี่ขับสามกัมพีแต่นั้นเองสมัยอุตเจ้ากนนันนะมันมีรุกขเวทเดชุ ร, รเวทแล้วก็สามเวทต่อมายุคที่ยุคที่รบรับจับสึกแกเตนะ รุ่ที่รบกันมากเนี่ยก็มีเวทมนต์คาถาอามารวมไป้เขาเรียกอาถรรพ์พระเวทซึ่งเป็นยุคเป็นเรื่องยุคหลังแต่นั้นเองตรงนี้เราเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดมาก่อนมาก่อนก็พวกนี้เป็นคนเกิดทีหลังคนเกิดทีหลังจะเป็นพ่ อ, อคนเกิดก่อนได้ไงนี่ก็คือลักษณะเอะลักษณะกันเทศวันิยมหมายความว่าคนเกิดทีหลังกลายเป็นพ่ อ, อคนเกิดก่อนคนไม่ได้จับประเด็นตรงนี้มันผิดประวัติศาสตร์ มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คนลูกจะเป็นจะลูกจะเป็นพ่อของพ่อเนี่ยฮะมันมันเป็นไปไม่ได้การต่อสู้กันตรงนี้เราก็ต่อสู้กันมาเรื่อยๆนะฮะท่านตั้งหลายจะเห็นว่าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์แล้วก็มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยว่าจริงๆนะเราไปเล่นงานเขาก่อนนะัเนี่ยว่าจริงๆก็บุรพาจาร์เราเนี่ยไปเล่นงานเขาก่อนในศตวตรรษที่6ที่เกิดมหายาน เกิดมายานขึ้นมาเนี่ยเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวสมัยนั้นหัวแรงคอยแรงคิดแรงก็คิดว่าออศาสนาพราหมมันมีตรงนั้นตอนนั้นก็เป็นฮินดูแลนะฮะเป็นแล้วเขามีอย่างงั้นเขามีพระพรหมเขามีพระนารายเขามีพระศิวะอ่าแล้วเป็นเทวดาสามารถไปช่วยคนได้เราก็สร้างขึ้นมาแต่เราสร้างในลักษณะคล้ายๆกับผลิตสินค้าแข็งนะรเราไม่ไปปลอมข่าวแต่เราคิดสินค้าขึ้นมา มีคุณสมบัติเหนือกว่าเขาเราก็มีอาธิพุทธะเห็นไหมสุขาวดีพุทธเกษตรเรื่องกรมนิธิท่านทั้งหลายเคยอ่านเรื่องกรมนิธมีสุขาวดีพุทธเกษตรพระพุทธเจ้าแยกพระองค์มานะมา ต, ตรรู้ในโลกนั้นนั้นลัลทธิมหายานนะนะลัทธิมหายานก็เรียกว่าพระเจ้านั้นมีสามกายมีนิรมาณกายสัมโพกกายก็มีธรรมกายก็ เป็นตัวแทงเนี่ยเป็นตัวแทนพระพรหมเป็นไหมฮะหมายความว่าเหนือกว่าพระพรหมเยอะพระพุทธเจ้าเหนือกว่าพระพรหมเยอะแล้วพระนารายพระนารายเนี่ยแกเป็นคนขี้หลับอะ่ะนอนอยู่ที่เกษียณส ม, มุทรบางทีหลับเรื่องพระพิคเนตเนี่ยมันถืมเนื่องมาจากพระนารายท่านหลับพระสิวธิก็ไปบอกไอเชิญพระนารายมาทําขวัญพระขันตะกุ ม, มารพระนารายหลับ วิุนกุกรรมก็เป่าสาังให้ปัญจสิขาเนี่ยเป่าสาังให้ตื่นกริอวกันมาโมโหเพว่อกางนอนหลับ เ, เด็กหัวขาดในรังขาดจริงมันมันเป็นคำแช่งอะ่ะขันตกุมารหัวขาดหัวขาดก็ไม่รู้จะทำยังไงอะตกตกใจก็บอกว่าไปทางทิศนี้ไปเอาเจอสัตว์อะไรตายแล้วก็ตัดหัวมาต่อพอดีไปเจอช้างเลยตัดหัวช้างมาใสา่ครับแต่ท่านทั้งหลายลองดูนะ ตัวเป็นคนหัวเป็นช้างพานะาเป็นหนูนะเห็นไหมนั่งกันได้ปะหนูตัวนตัวหนาไหนก็แล้วคอช้างก็คอคนมาต่อยยังไงกัน้คนคนก็นับถือกันนนะคนก็เชื่อกันแต่นี่เป็นเป็นเป็นตำนานเทพเจ้าก็แสดงให้เห็นว่าพระนารายณ์เนี่ยสามารถไปช่วยคนได้เราก็สร้างพระอรุกิเตศรขึ้น โลกิเตสวนก็แบ่งภาคเนี่ยกวนอิมเนี่ยเป็นภาคหนึ่งของโลกิเตศวนแบ่งไปเจ็ดภาคกวน อ, อ, อิมนี่ยอยู่ที่เกาะทะเลใต้เป็นผู้หญิงคนเดียวนะฮะเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ไปเกี่ยวข้องกับคนดากูว่ากันยาวเยือกตั้งนั้นนะแต่ละเรื่องเนี่ยาวเยือกนะแล้วเราก็มีพระโพธิสัตว์พระภัยสัชชครุรุนี่คนเจ็บไข้ไม่สบายแล้วบูชาหายโรคหายไปกูมีเยอะเลยเทวดาพระพระโพธิสัตว์ในรูปคล้ายๆก้าเทวดานี่มีเยอะ แล้วก็มี ม, มีมีพระยมมีพระรไรที่สามารถลงลงโทษคนแบบพระศิวะหมายความว่าเธอมีอะไรที่ว่าเธอมีในฉันมีแล้วแต่ไม่ได้ไปบอกว่าเราเป็นผู้สร้างพระพรหมพาระนาฬาเราไม่ไปยุ่งเขานะไม่ไปยุ่งเขาพอมาในการต่อมามันก็ต่อสู้กันมาอย่างนี้เรื่อยๆนะ่มาประมาณศตวรรษที่13คือพศประมาณพ3 0ส มีคนสำคัญคนหนึ่งเราถือว่าเป็นนักปราชญเก่งมาก น, นะฮะก็ถือว่าเก่งมากๆาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาตอนแก็บวชอายุประมาณ20 19บบเก้านะฮะ บ, บวชประมาณ19บ้าบวชเป็นเดชแล้วก็เรียนไม่กี่เดือน น, ะน่ยแตกฉานในพระไตรปิฎกหมดเลยแล้วก็ศึกษาอยู่แล้วหนึ่งแนละ้วในที่สุดก็ศึกไปนะไปตั้งลัทธิใหม่ไปเขียนตำรับตาราใหม่สร้างระบบปรัช ญ, ญาขึ้นมาก็าเรียกว่า เวทันตะเวทันตะเนี่ยมันอยู่ตอนสุดท้ายของพระเวทโดยจะเห็นว่าไอ้ น, นั้นคือไม่ใช่พระเวดเห็นไหมเขาเอาคัมภีร์ของเราเนี่ยคัมภีร์ในศาสนาของเราเนี่ยเข้าไปใส่ไปในนั้นเข้าไปใส่ไปในตรงนั้นแล้วก็เล่อหนึ่งคืออุปนิสัยเป็นสร้างระบบปัญญาขึ้นมาสองระบบเราจึงไปอ่านตรงนั้นเอ๊เหมือนกับพูดอะแล้วเข้โมูเมดาข้โมเมดตรงไหนรู้ไหมฮะข้โมเมว่า พระเวทนี่เกิดขึ้นก่อนพระเจบิปดกเพราะงั้นเราไปลอกมาจากเขาเพราะเขาเกิดขึ้นก่อนนั่นคือประวัติศาสตร์ตรงนั้นถ้าเรามองตรงนั้นแล้วเราก็เชื่อได้นะแต่เราลืมไปว่าพระใจบิปดกนี่จดจารึกก่อนพระเวทเนี่ยต้องบอกอะไรที่ลับนะคนอื่นได้ยินไม่ได้นะต้องเข้าไปบอกในป่ า, เ, า เ, รเรียนกันด้วยปากเลยอาจารย์เริยนี่รู้กันล้วไปบอกคนอื่นไม่ได้ผู้หญิงก็เรียนไม่ได้ เรียนเฉพาะคนผ่านวิธีมาเยอะเลยจึงจะเรียนได้แล้วก็มาบอกคนอื่นไม่ได้เห็นไหมในขณะพระเวทไม่มีใคร ร, รู้เฉพาะกลุ่มคนเราคนรู้หมดทั่วประเทศเราเผยแพร่เป็นเอกสารแล้วสองร้อปีเนี่ยเราเผยแพร่พรอยู่ก่อนเพราะคํำพีเราคนก็อ่านกันหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็มาศึกษาไปจากเราเดี๋ยวเขาก็ไปออกแล้วก็หาว่าเราเราเขาบวยของเขาตั้งแตนี้เขาเขาบวยของเรา ราทากิสนานเองนะฮะเป็นเป็นราทากิสนานอดีตประธานาธิบดีอินเดียนะฮะเป็นเป็นคนเขียนเรื่องนี้ไว้เยอะบางทีแรงนะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดว่าพระองค์มาสร้างศาสนาใหม่แต่พระองค์เกิดมาจากฮินดูนะดำรงพระชนมาชีพอยู่อย่างฮินดูแล้วก็ตายไปอย่างฮินดูฮินดูยังไม่มีนะก่อนพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้าอยู่นี่ยังไม่มีฮินดูเกิดหลังจากนั้นทั้งสองสารอปี นี่คือคือพอเราดูประวัติศาสตร์ไปจับแล้วมันเละหมดเลยเรื่องทั้งทั้งหมดเนี่ยพอเราพูดประวัติศาสตร์ปั๊บแต่มันมันผิดหมดมันก่อนมีมีนักการเมืองคนหนึ่งเขามาพูดถึงนักการเมืองคนหนึ่งนะโบบอกทอย่างเงี้ยอย่งงางเงี้ยสั่งปิดหนังสือพิดอย่งงางเงี้ยอย่งงางเง้ยอย่างเง้ยถามว่าคุณเช็ควันดูสิว่าวันนั้นเขาอยู่ตรงไหนเขามีฐานะเป็นอะไรมีอํานาจมีหน้าที่อะไรเขาอยู่ตรงไหน คุณเอามาพูดคุณต้องนึกประวัติศาสตร์วันในสําคัญที่สุดการละกาเทศในสําคัญที่สุดว่าคนที่ทําอย่างนี้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเราเหมือนก็เราหาว่าเขาเขาฆ่าคนต้องหาสถานที่อยู่ก็ไว้ได้ก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งเลยคุณหาว่าเขาฆ่าคนได้ยังไงไอเ น, นี้ยคือสําคัญว่าเราเราลืมการละคาเทศาการกระทามันสัมพันธ์กับการละเทศะก็คือประวัติศาสตร์ดังนั้น ในแง่ประวัติศาสตร์แล้วตรงเนี้ยเราเราเผยแพร่คําสอนไปก่อนแล้เวเขามาขโมยคําสอนของเราเพราะงั้นเขาอ้างคำภีต์ตรงตรงเนี้ย ท, ที่ที่มาเล่นงานเราเนี่ยอ้างคมภีร์ที่เขาเขียนขึ้นเองอ้างคำพีที่เขาเขียนขึ้นเองแล้วมาเอามาศึกษาจะหลายคืน เ, นะเออนี่ยนะเอาเอกสารนั่งศึกษาหลายคืนว่าสิ่งที่เขานามาอ้างเป็นคัมภีร์รุ่นหลัง บางเล่มตั้งพันเจ็ดร้อยปีมาแล้วไม่ใช่คือพระจนนิพพ า, านตั้งพันเจ็ดรอยปีมาเอามาอ้างแทนที่จะอ้างประไตไปิฎกไม่มีเลยนะไม่ได้อ้างประไตไปิฎกไปอ้างกัมพีรุ่นหลังแล้วใครแต่งขึ้นมาก็นนั่น ค, ค, คือคือคือความอ่อนในเชิงเนื้อหาที่นำมาที่นามาอ้างอีกทีนี้สิ่งสิ่งที่ก็ลงมติไปนะฮะสิ่งที่ก็าลงมติไปแล้วก็ เฉพาะปีที่แล้วนะปีที่แล้วแล้วก็มาจะประชุมที่ศูนย์วัฒธรรมตอนวันที่สิบกว่ากุมภาพันธ์เนี่ยจใจเราจใจเรายอมรับเขาเนี่ยเรื่องเรียงมาตามลำดับนี่มันมันค่อนข้างยากอแต่ว่าฟังไว้ก็เรียกวฟังไว้ใช่ว่าก็แล้วกันค่อนข้างยากเพราะว่าอธิบายยากมากแล้วก็ยาวนะต้องต้องอธิบายยาวเรื่องกรรมกับ ก, การเบียดบี้ตาเกิด เขาบอกว่าเป็นของเขานะแต่อย่าลืมเขาพูดว่าเราเป็นนิกายเขานะฮะลืมเป็นนิกายเขาทางๆ ท, ที่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยถ้าถามว่าเหมือนกันไหมถ้าดูห ย, ยาบๆแล้วเหมือนกันดูอ ย, ยาบๆเหมือนกันคือหมายความว่าคนเราไม่ได้เกิดมคนเดียวตายคนเดียวฮินดูก็บอกว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดหมุนวนไปแล้วก็จนกว่าจะเข้าไปอยู่รวมกับจะเรียกยังไงก็ช่างเขาว่านะฮเรียกว่าปรารภลมเรียอะไรกันนะ แล้วก็จบสังสารวัตรของเราก็ว่าอย่า ง, งานั้นแต่เราไม่ใช่อย่า ง, งานั้นเรามีกรรมสามกรรมเลยนะมีอดีตกรรมมีปัจจุบันกรรมปัจจุบันนี้ปัจจุบันปัจจุบันนิดเดียวแล้วสมมติเราเราขับรถเนี่ยก็คือกรรมอย่างหนึ่งตอนเลี้ยวปับ๊บตอนเกิดอุบัติเหตุอีกกรรมอย่างหนึ่งตอนขับรถไม่มีอุบัติเหตุก็เป็นกรรมดีมีสติสัมผัญญาดีตอนชนก็แสดงว่ากรรมอีกอย่างหนึ่งเอะเราขับมาดีๆทำไมชนไม่ตอนชนไม่ใช่กรรมเดียว ตอนชนไม่ใช่ขับดีขับผิดขับขาดสติขับประมาทตอนไม่ชนเลยขับมาดีเห็นไหมที่จริงบางคนละขณะเพราะงั้นกรรมมันจะมีอยู่สมช่วงใหญ่ๆคืออดีตกรรมปัจจุบันปัจจุบันชาติปัจจุบันขณะขณะขณะเลยนะขณะเป็นๆวินาทีกันเลยนะแต่เขาพูดว่า ก, กรรมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเป็นเขาเรียกว่าพรมลิขิตนะเห็นไะหมฮะพรหมลิขิตอายุพรมลิขิตเขาเรียกว่าเป็นเหตุในอดีต อะไรก็โยนให้กรรมในอดีตหมดไ ม, ตดไม่ศาสนาพูใหม่แล้วก็คติคติเรามีเยอะที่เราโยนยให้อดีตกรรมหมดเลย ซ, ซึ่งไม่ถูกหลักพระพุทธศาสน า, ศาพุทธศาสนาไม่ได้โยนไปอย่างนั้นนะฮะมันต้องดูปัจจุบันเลยก่อนหาปัจจุบันไม่เจอแล้วจึง อ, อน่าจะเป็นอดีตอดีตเราไม่มียานไปรู้หรอกเดี๋ยวปัจจุบันถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองก็พอจะนึกออกนะฮะการเกิด การเกิดน <S an> ั <S an> ้นเขาบอกว่ามันก็แล้วแต่สามเรื่องนั่นหนึ่งทางกรรมทางการเกิดหนึ่งเรื่องบุญเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องกรรมเก่ากรรมเก่าสองเรื่องเทวดาบรรดาลให้ไปเกิดอย่างไ้ก็ได้บางทีก็ทําความช่วยเยอะนะฮะยังให้ไปเกิดในที่ดีๆได้แล้วก็เป็นเรื่องบางอื่นเป็นเรื่องบางอื่นนั่นนี่อยู่สมเรื่องของเขาเนี่ย ในรายละเอียดจึงไม่ตรงกันรายละเอียดจริง ๆ, ๆ จ, งๆ จ, งจึงไม่ตรงกันเพราะอะไรเพราะว่าการจําแนกกรรมเนี่ยคนระดับพระอาราหันต์จะแนกไม่ออกเป็นกระบวนการทียิบเหมือนกันเนี่ยการเกิดดับของกระแสไฟเนี่ยมันแยกไม่ออกอะนั ก, กวิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่คุณแยกได้เราคุณก็ต้องมีเครื่องมือมาแยกแต่คุณแยกเองคุณก็แยกไม่ออกแต่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับทยอยกันไปไม่ขาดสายพุทธเจ้าก็แยกออก แยกให้ดูได้แต่การสอนตรงนี้นะที่จริงแล้วเนี่ยพื้นฐานความเชื่อตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่อย่าคิดว่านั้นคือของเขาเราก็คือเราเขาก็คือเขาเพียงเพียงเรียก ว, ว่าความเชื่อบางระดับตรงกันก น, นันเองประการที่สองเรื่องวิญญาณกับเรื่องเจตนานะกับเรื่องเจตนา ท่านจะเห็นว่าตรงนี้ค่อนข้างยากนะฮะเจตนาที่จริงเป็นงานของจิตเองเลยจิตเราทําหน้าที่รับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสนะจิตทําหน้าที่จําจิตทําหน้าที่คิดเจตจานงตั้งใจคิดตั้งใจทําตั้งใจพูดเป็นเจตนาเจตนาจึงไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่เจตนาแต่ว่าจิตกับเจตนาอาศัยกันคล้ายๆ ก, กันน้ํากันแดงน้ําแดงไอแง้แดงกันแดงกันน้ําที่จึงคนละอย่าง ก, กัน แดงก็คือแดงน้ำก็คือน้ำพอดีมันปนกันปนกันก็แยกกันมาได้เพราะฉะนั้นเจตนาท่านจึงเรียกว่าเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นปรุงจิตตัวตัววิญญาณก็คือตัวจิตตัวจิตทีนี้วิญญาณเขาในวิญญาณเที่ยงนะเราจะเห็นว่าแม้แต่ตัววิญญาณเองเนี่ยวิญญาณก็เที่ยงมาจากไหนจะไปสู่ที่นั้นมาจากไหนก็จะไปสู่ที่นั้นมาจากพรมก็จะกลับไปสู่พรม นายกตายมาจากพรหมไม่มาจะแยกมาจากพรหมแล้วก็จะกลับไปรวมกับพรหมแต่ของเราไมา่วิญญาณเกิดดับเกิดดับตลอดวิญญาณเกิดมาจากเหตุปัจจัยนะตาจะเห็นรูปขึ้นมามีเหตุปัจจัยพอไหมมันไม่ใช่เราเห็นตลอดถ้ามืดมันก็ไม่เห็นตาบอดเราก็ไม่เห็นทุกอย่างไม่มีปัญหาเราไม่สนใจเราก็ไม่เห็นมันมีเยอะมันต้องมีเหตุปัจจัยให้เกิดตรงนี้เราจะเห็นว่ารายละเอียด แล้ก็ไม่ยาดาเดียดที่จริงก็ต่างกันสิ้นเชิงเลยนะต่างกันสิ้นเชิงประการต่อไปนี่ที่จริงค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะคำมันมีปัญหาเขาใช้คาโมกษะอย่าลืมนะเขาใช้ภาษาอังกฤษเราใช้ภาษาบาลีเขาใช้ภาษาสื่อสารในภาษาอังกิษเราใช้ภาษาบาลีแต่ถามว่าโมกษะนี่เราเรียกยังไงเราเรียกโมกขาโมกขะ มันเหมือนว่าเสียญเมตตาใจนะเสียะาเมตตาที่จริงมันเป็นภาษาสันสกฤตเราเห็นได้ชาดรสาเริยะาเมตตาใจมันมาจากความเชื่อทางมหายานเพราะเทรวาเราไม่ได้ใช้ภาษาสันสกฤตถ้าเราจะเรียกเนี่ยรสิริอริยาสิยาไิริอริยาเมตตาถ้าเราเรียกนะฮะแต่เราไม่มีเทรวาจริงๆไม่ได้มีไม่ได้มีชื่ออย่างนั้น สแสดงว่าเป็นความเชื่อและที่ความเชื่อที่มาจากสายมหายาถึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะฮะไม่แปลกอะไรแต่ว่าเป็นแนวในการพิจารณาเทียบเคียงเออไ อ, อ้ น, นี้นี่ไม่ใช่เทราวตตตราวตนะเนเรวาตไม่ได้ใช้ภาษาสังกฤษโมกสะในแปลว่าความหลุดพ้นเราเรียกโมกขะเราก็มีปาโมกขะเรามีวิโมกขะเรามีนะฮะเรามีแต่ถามว่ามันเหมือนกันไหมชื่อมันเหมือนกันจริงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เหมือนกัน โมกขะโมกสะโมกสะคือความหลุดพ้นของเขาในหลุดพ้นจากโลกนี้แล้วไปอยู่อีกโลกอื่นมันมีที่อยู่เ้าเรียกว่าสิทธาสิทธาสิทธาวาสที่อยู่ของของนัก บ, บวชที่อยู่ของผู้สำเร็จที่อยู่ของผู้สำเร็จถ้าถามว่าเป็นอะไรจริงๆมันเป็นปรก เราเห็นว่าเป็นพรมแต่นั้นเองแต่ว่าพรมในอย่างที่เคยพูดว่าอายุก็นานมากอะอายุก็นานมากเราไปพิสูจน์ทดสอบไม่ทันว่าพรมตายหรือเปล่าเราตายเสก่อนเราก็นึกว่าพรมมันเที่ยงตั้งๆ ท, ที่เพียงมันอยู่นานแั่นี่ยแม้แต่ภูเขาอะไรเนี่ยถ้าเรามีอายุยืนกว่าภูเขาเราก็เห็นภูเขามันเสื่อมไปแต่พอดีอายุเรามั น, ม, น, ม, นมันไปไปเที่ยวกับภูเขาไม่ได้เราก็นู้ภูเขานี่มันมก็เที่ยงแท้แน่ น, นอนวันตั้งอีกตักงล้านปีเรามาเกิดเนี่ยภูเขานี่มันหายไปแล้ว อยู่ที่ไหนหมดแล้วนะเพื่อนเราไปทําถนนหมดแล้วนะแต่ว่าพอดีเนี่ยเราไปดูไม่ได้รออยู่สั้นนิดเดียวเป็นไปดูภูเขาก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ชื่อเนี่ยเหมือนกันนะนิพานกัมโมกษาเนี่ยเราก็เรียกนิพาน น, นิพานเน่ยเป็นชื่อชอหนึ่งนิพานมีชื่อเรียกเกือบร้อยชื่อนะฮะเรียกอะไรก็ได้ไม่ได้แปลอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกัน โมกษะนั้นเป็นความหลุดพ้นแล้วก็ไปอยู่ในที่หนึง่งของเรานี่ดับไปเลยไม่มีพวไม่มีชาติอย่างที่ว่าแล้วแล้วก็ต่อไปก็คืออะไรคือสุญญาตาสุญ ญ, า ต, า ญ, ญาตากับพรบะพรหมกับพรหมสุญญตากบับพรหมกับปรพรหมกับปรพร ปาราพรมก็ดีนะฮะพระเจ้าก็ดีพรหมมันก็ดีท่านจะได้ยินชื่อเยอะอย่าไปติดใจชื่อก็แล้วกันนะนะนะเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่มาของสรรพสิ่งแล้วก็สรรพสิ่งนั้นจะไปรวม ก, กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นนิรันดร์สิ่งนั้นเป็นนิรันดนนะนนนนนรนดน์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสุญญาตาเรามันไม่ใช่อย่างนั้นสุญญาตานั้นคือถอนทิศถอนถอนถอ น, ถอนความเห็น นะที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังตอนบรรยายเรื่องปัญหามนุษย์สิบกคนตอนทันโมกราชนี่ยนะท่นโมกราชถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระ้าคพระองค์จะมองโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามไม่ทันคือหมายความว่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องหมุนวนในสังสารวัฏอีกต่อไปพระเจ้ารับสัง่งมาดูก่อนโมกราชเธอจึงมองโลกนี้เป็นของศูนย์ถอนอัตานทิิอัตานุทิคือคือความเห็นว่า ว่าอะไรว่าเราว่าเราเป็นว่าเป็นของเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ที่จริงเราไม่เป็นจริงนะใ น, ในในแง่ของของปรมาตรสัจจะแต่ว่า ส, สมมติสัจจะก็ว่ากันไปของเรามันไม่มีอะไรของเราจริงเรามีป voilà. ัญหากับของเราเยอะแต่จริงๆไม่มีอะไรเป็นของเราจริงสักอย่างแล้วเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ แล้วก็ไมเป็นจริงทุกอย่างเป็นสมมติทอมสมมติก็ซับซัพทับซับแร้องกันไปกเสร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็คือก็คือซากศพก็คือก็คือธาตุกันแล้วแต่จะมองระดับใดก็ตางนะครับท่านทั้งหลายจะเห็นว่าชีวิตเราจริงๆเราเดือดร้อนเพราะเรา <identified? S 1> เพราะ ข, ข, ของเราเพราะเราเป็นนะเป็นก็เป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เดือดร้อนเพราะความเป็นเป็นตัวเป็นตนนะของเราอย่างนั้นอย่างนี้เดือดร้อนเพราะ เพราะของเราของเราหายของเราไม่มีของเราเสื่อมไปคนคนรักของเราไปอะไรตอะไรก็เนี้ยก็เดือดร้อนอย่างสองสามคำเนี่ยทอนตรงนี้ออกไปได้หมายความว่าจิตใจไม่ฟูไม่กว้างจริงๆเลยแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยตรงตรงปลายรพรมเนี่ยนะถ้าจะว่ามันีพบพบก็หมายความว่ามันมีความเป็น าเราไม่มีความเป็ียนแต่ค่อนข้างละเอียดนะตรงนี้ที่ที่จริงเถียงไปก็เท่านั้นเนใครไปไม่ก็ถึงเรื่องนิพานมันเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่ไปไม่ก็ถึงแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยนะฮะว่ามันไปเชื่อมโยงกับการตรัสรู้เชื่อมโยงกับการตรัสรู้ของเราพุทธเจ้าตราบหลพุทธเจ้า คนเราทำลายความเชื่อในพระพุทธเจ้าได้ศนะาสนาพุทธอยู่ไม่ได้นะฮะศาสนาพุทธไปผูกโยงไว้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพอวันใดวันวันใดวันหนึ่งคนเกิดไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามีนะฮะไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามีไม่จะทําให้ไม่เชื่อกันสัตว์รู้ทำให้เชื่อคําสอนมันไม่เชื่อหมดได้เพราะไปติดเศษที่หัวแล้ก็เรื่องของของเนี่ย เ, เรื่องเรื่องอวตารนะที่ว่า การอาวตารนั้นหมายความว่าแบ่งภาคมาเกิดแล้วก็กลับไปอย่างใกล้ๆกับเรื่องรามเกียรติวะเนี่ยพระรามก็แบ่งภาคมาแต่จริงก็คือพระนารายณ์นะแล้วในเรื่องรามเกียรติเราเห็นว่าบัดนั้นเมื่อนั้นพระจักรรัตแก้วนาถานี่ครัจักรรัตแก้วมันชื่อของพระนารายณ์มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ชื่อของของพระรามก็เรียกทับไปเรียก เรียกทับชื่อตรงนั้นไปทีนี้ปัญหาสําคัญที่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะมันมันแรงกว่านั้นเพราะถ้าเรายอมรับว่าพุทธเจ้าอวตาพระนารายณ์อวตารมาเป็นองค์พระเจ้าแล้วเขาอธิบายยังไงเขาอธิบายว่าอย่างไงเขาอธิบายว่าในยุคกัลลิยุคยุคเรานี่ฮะตอนนี้เราอยู่ในยุคกัลีิยุคมันมันมาข้อเรียกมาจากไตรดายุคนะไตรดายุคสัตตะยุคมาทวาระยุคแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกว่า ากะลียุากกลียุกนี่คนจะทำความชั่วมากที่เขาอธิบายเนี่ยอย่างที่บอกว่าตำนาเขาสับสนเนี่ยนะฮะที่พ่อปฏิบายอยู่สองแห่งว่าทำไมบรรดาลต้องอธิบายมาต้องต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องอวตารตเป็นพระพุทธเจ้าสายหนึ่งบอกว่าคนทำชั่วกันมากคนทำชั่วกันมากโลกมันเดือดร้อน เพระนาายก็จุติไม่ใช่อวตารเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อสอในให้คนทาชั่วหนักยิ่งขึ้นจะได้ตกนรกเส ห, หมดหมดโลกมันจะบริสุทธิ์เห็นมไหมต้อกลงทําลายพระพุทธเจ้าทําลายพระธรรมเห็นไหมพระธรรมกลายเป็นเรื่องเวลวร้ายหมดเลยพระธรรมก็กลายเป็นคําสอในให้คนตกนกรกแค่นั้นเองถ้าคนเชื่อตัวนี้คนก็ไม่นับถือพระพุทธเจ้าทิ้งมาทำเรื่องเรื่องว้าวว่าเลิกพูดไม่มีหมดหายไปหมดเลย อีกสายหนึ่งเนี่ยเขาบอกไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าผลมั น, ม, นมันเหมือนกันนะนะก็บอกว่าในกรียุคเนี่ยาศาสนาอื่นมันไร้แก่นสารหมดเลยมันมีแต่าศาสนาฮินดูแตนเองที่ดีสอนคนแล้วคนไปบังเกิดในสวรรค์กันเยอะประชากรสวรรค์แออัดยัดเยียดกันมากมันจำเป็นจะต้องลดจำนวนประชากรสวรรค์ก็เดือร้อนหนึ่งบารรด า, าลาก็อวตารมา สอนคำสอนผิดๆเพื่อดึง อ, อกชนระดับต่ำเรียกพวกทานนบเพื่อให้ปฏิบัติศีดศึกษาผิดปฏิบัติผิดแล้วตกนรกกันนะประชากรสวรรค์จะได้ว่างลกเห็นไหมฮะพระธรรมก็เสียอีกพระพุทเจ้าก็เสียอีกไอ้นีค้คือคือคือสิ่งที่เรียกว่าได้คือบอโอสอบถ้าเราไปยอมรับปั๊บว่าพระพุทธเจ้าเป็นนวตารเนี่ยที่คุณว่าจริงแล้วมันเดินบันดาลใจต่อไป วิธีนี้เป็นวิธีการเชื่อนิ่มๆ น, นะเป็นวิธีการทำลายพระพุทธศาสนาที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในอินเดียอย่าพูดเราไม่ค่อยเข้าใจนะฮะพอเกิดปัญหาตรงนี้ามาก็โทรคุยประสานกันเสียเวลาตรงนี้อยู่หลายหลายวันแล้วอ่านหนังสื อ, อนในหลายเล่มนะเต่วมายุ่งกันเรื่องนี้นะพอมีปัญหาเนี่ยมันมันค น, นหาที่พึ่งไม่ได้ อัตอมากัจคุณทํารมยดกเนี่ยก็กลายเป็นจุดรวมกัจจคุณทําไมยดกนี่ท่านท่นไม่ออกหน้าแล้วไม่ออกหน้าหรอฟังไปเรื่องระไรายอะไรก็ทํานไม่ออกหน้าแล้วแล้วก็ปรึกษากันได้นะถ้าไม่ออกเราก็ต้องออกเพราะว่ามันไม่มีใครยอมพูดเรื่องนี้เลยก็มาประชุมมาศึกษากันแล้วก็พูดประสานกันเป็นการภายในกับพวกทั้งหลายนะแต่ไม่ได้ประสานกับหัวหน้าเขาหัวหน้า ตอนนี้เขาบอกโอ้ยที่จริงก็บอกซะ ก, ก่อนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทำอย่างนี้ยบอกอะไรแกวิยอบที่ไหนไม่ยอมเลนะฮะต้องใช้ต้องใช้ใวิธีการพิเศษคือเรามองเฉพาะเรื่องง่ายๆเรามองแต่เรื่องจะได้นะแต่เราไม่มองเรื่องเสียเรื่องเสียหายวันนี้คือการทําลายเนื้อหาหลักของพระพิทธศาสนาเอาเฉพาะข้อสุดท้ายข้อเดียวนะไม่ไม่เอาไอ้สีข้อข้อขางบนกันนะ พระสี่ข้อกางวลเป็นผลต่อเนื่องมาจากข้อสุดท้ายถ้าคนสังคมไทยยุคต่อไปในเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นนารายณ์อวตารคนก็จะหันไปนับถือพระน า, ารายณ์เรื่องอะไรจะนับถือลูกนับถือพ่อไปดีกว่าเห็นไฮะที่ยังยิ่งคือทำ ม, มานี่จะถูกทิ้งหมดเลยทุกทำลายเพราะว่าพระธรรมนั้นเป็นคําสอนให้คนตกนรกนีคือคือสิ่งที่เป็นอันตรายมากกว่ามาศาสนาจะถูกถอนรัก สอนโขนแต่เราไม่ได้ศึกษาคนไทยในจุดออนอย่างนึงและมาเคยเคยต่อว่ากรรมการตรวจงานรัชดาพิเศษสมโพธ์นะมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อประจายอินเดียโดยเฉพาะพุทธประจาเรามาอ่านเนี่ยเราจบแค่ปัญญาโทแต่นั้นเองไงนะไอเขาจบปัญญาเอกนี่เขายัางแยกไม่ออกไอเราจบปัญญาโทรเราอ่านป้บเราเห็นมันผิดตั้งแต่หน้าแรกแหะมา น, นั่งขีดขีดไปห้หน้ามันแดงเถือกไปหมดเอามานั่งขีดเอ๊ะทำไมมันผ่านมาได้ยังไง รัชดาพิเศษสมโภชนีนน่ไปถามดูกรรมาการว่ามันคุณบพนผ่านไปได้ยังไงหนังสือที่มันผิดตั้งแต่หน้าแรกไม่ได้ส่วเราท่านให้เกียติกันเอานี่ให้เกียติกัน น, กก น, น่นะล้างพระพุทธศาสนาบิดเบือนพุทศาสนาเยอะเลยพระราชนี้เล่ ม, เ, ลมเป็นงานเป็นงานได้รับรางวัล น, นะครับอย่างนีนะ้นี่คือคืออะไร ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบแต่ว่าจริงๆเนี่ยมักง่ายมักง่ายมักได้มักใหญ่สามมักเนี่ยเดินทางอยู่สามมักเนี่ยมันยุ่งถ้าถามว่าสัมมนากันได้ไหมก็ได้เลยจริงๆไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่หมายความว่ามาคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันว่าการสร้างโลกเนี่ยพราวว่าอย่างไรคิดว่าอย่างไรอินดูว่าอย่างไงนะ คิดซิกว่ายังไงารศาสนาไหนว่าอย่งไงพูดว่าอย่างไงมาอธิบายกันแล้วเขารกความเชื่อกันเราก็ไม่ต้องการให้คุณเชื่ออย่างเราเชื่อแต่คุณคุณคุณก็ไม่ต้องมาเชื่ออย่างที่เราเชื่อบนเส้นทางของความเชื่อที่ที่ที่ต่างกันเนี่ยเราอยู่ร่วมกันได้ไม่ได้แปลกอะไรคุณจะกินฮอตดอกฉันจะกินน้ําพริกปลาริบฉันก็อยู่ได้คุณก็อยู่ได้อะมันไม่ได้แปลกอะไรอะไม่ได้แปลกอะไร อยู่ร่วมกันได้เพียงแต่ว่าที่มันมีปัญหาคือหมายความว่าเขาจะเอาเราเป็นลูกน้องเขาซึ่งซึ่งซึ่งเป็นอันตรายเป็นอันตรายเป็นเรานี่จะกลายเป็นบริวารนัน ท, ทีอันตรายมากนะอันตรายลึกๆแล้วอันอันอันตรายกระทบหมดเลยกระทบอันข้าะยพของของเศรษฐกิจสังคมการเมืองหมดวัตันธรรมขนมตนัวนี้เป็กระทบหมด แล้วก็กระทบค่อนข้างเร็วนะเพราะพวกนี้มีเงินมหาศาลเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เป็นกลุ u มนะฮะโมดีกลุ่มนี่ใหญ่มากคุมพวกสื่ออยู่ในเอเชียในหลายทวีปเอ้ยไม่ใช่หลายประเทศหลายประเทศในจีนในไทยนะในไทยก็มีคุณดแูแล้วก็ในอินเดียหลายประเทศใหญ่เป็นเป็นธุรกิจข้ามชาติเลยมาในรูปศาสนาที่หญิงถูกชายเป็นเครื่อง ธรรมนาแลกเปลี่ยนควิดกันอย่างนฮินดูก็พูดธนพระเจ้าเราไปอยู่ในเมืองใ น, ในพระเจ้าฮินดูไปอยู่ในบ้านพุทธเต็มไปหมดเลยนะเอเมนไหมเรามีพระพรหมมีพระศิวะมีพระนาดายอยู่เต็มไปหมดแล้วเนี่ยฮะตรงนี้อยู่เต็มไปหมดแล้วลไม่ได้แปลกอะไรเลยไม่ได้แปลกอะไรเลยว่าฐานับถือในฐานาะเทพเจ้าแต่ไม่ใช่นับถือในฐานะผู้สร้างพระพุทธเจ้าให้แล้ว เรถือในฐานนักเทพเจ้าทเทพเจ้าก็ได้นะฮะก็เทวดาก็ไม่แปลกอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คือประเด็นว่ า, าศาสนานั้นควรจะเดินยืนอยู่บนฐานตัวเองหมายความถ้าเราจะพัฒนาอีมละลกอสักต้นสักพันหนึ่งเนี่ยก็ให้มันเป็นมะละกออยู่ด้านในยอย่าพัฒนาเป็นมะพร้าวอะไรกันนะเอามันเป็นมละลกออยู่นั้นเนี่ยคนจะได้ประโยชน์จากมาละลกอป่าทั้งป่ามีต้นไม้ชนิดเดียวมันก็เซ็งไงนะ ศาสนาจะมีศาตนาอย่างนั้นมันเป็นทางเลือกทุกคนยึงต้องเคารพเคารพในในความเป็นศาสนาข้งแต่ละศาสนาปัญหาเหล่านี้ก็ปรากฏว่ายุตินะฮะยุติไปแล้วก็จะมีการบิปรงบิปรายมาก็โทรขอร้องเขาไปบอกว่าอย่าบิปายเลยเดี๋ยวจะทะเลาะกันเราเราแค่ว่าเขาอย่าบิดเบือนเราต่นนั้นเองขอท่านั้นเองนิดเดียว แล้วก็เมื่อกแต่ว่าตอนนี้เข้าไปที่กรรมธิการาศาสนาศิลปวัฒนธรรมพวกนี้เอาแรงสสอนี้เล่นแรงจะไม่เข้าประเทศจะงดบีซ่าอะไรอะไรพวกมันเล่นแรงไปอย่างนั้นนะเป็นการเมืองไปมันมันเราขอให้เคารพสิทธิ์กันเท่านั้นเองมันจะเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนี่ก็เป็นเรื่องพิเศษที่นำมาเล่าเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเอาไว้เพื่อในการประดับความรู้นะฮะก็อาจจะยากนิดหน่อย ในที่สุดนี้ก็ขอยุติไว้ด้เวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขพความเจริญงดงามไปปูดในธรรมจึงมีท่านสาธุชนหลายโดยทัวกันทุกท่านถือ